มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนเดกะปัญหาทุติยวัคสัพพสตานังหิตะจรณะปัญหาที่หกถามว่าพระตถาคตประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงเหตุไรจริงเทศนาอักขิขันโธปมาสูตรให้ภิกษุห0รูป รากโลหิตเล่าสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การถามว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาพระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่าสมเด็จพระตถาคตทศพลยา น, นี้มีแต่ว่าจะให้เป็นประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายพระองค์จะได้ให้เป็นโทษแก่สัตว์ทั้งหลายหาไม่ได้ปูนาจะครั้นมาหมายเล่าพระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่า เมื่อครั้งตรัสพระสัทธรรมเทสนาอัคขิขันโทรปรมาสูตนั้นพระภิกษุห0สิบรูปฟังไปอาศัยด้วยว่าตนมีศีลบริสุทธิ์สิ้นราคีจิตนั้นเรื่มสาทวีคูณขึ้นไปกว่าเก่าพระผู้เป็นเจ้าหกสิบรูปนั้นก็พ้นจากอาสวะมนทินสิ้นตัณหาอุปาทานพระภิกษุที่เป็นพานด่างพร้อยในศีนั้นก็ปัดจุดทอนศึกเสีย ที่เป็นปาราชิกมีชู้เมียนั้นก็ดีที่เป็นปาราชิกด้วยอธินาทานและมนุษยวิคหะอุตตริมนุสธรรมนั้นก็ดีมีประมาณหกสิบรูปรากโลหิตออกมานี่แหละพระตถาคตล้วนแต่จะให้เป็นประโยชน์แล้วก็เหตุไรจึงให้โทษแก่ภิกษุทั้งหลายถึงรากโลหิตเป็นเหตุชไหนโยมสงสัยนักหนา ถ้าแม้แลว่าจะเชื่อเอาคําที่ว่าพระองค์เทศนาอักคิขันโทรปรมัสูตรพระภิกษุหกสิบรูปร่ากโกรหิตคําที่ว่าพระองค์เจ้าคิดจะให้เป็นประโยชน์แก่สัตว์ก็เป็นมิจฉาแม้จะเชื่อว่าพระองค์จะให้เป็นประโยชน์ไม่ให้เป็นโทษแก่สัตว์คําที่ว่าตรัสเทศนาอักคิขันโทรปรมัสูตรนั้นก็จะผิดอายางปันโห ปัญหานี้อุพัโตโกติโกเป็นอุพัโตโกติมหันโตใหญ่ล้ำคัมพีโรลึกนักหนาตวานุปปัตโตมาถึงพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจงวิสัชนาให้แจ้งก่อนพระนาคเกษณถวายพระพรว่ามหาราชะดูรานะบพิษผู้ประเสริฐคำที่ว่าสมเด็จพระบรมโลกุตมาจาร มิได้ให้สัตว์โลกเป็นโทษย่อมจะให้เป็นประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายนั้นจริงข้อซึ่งพระองค์เจ้าสำแดงทำปริยายอักคิขันโทปะมะสูตรพระภิกษุทั้งหลายหกสิบรูปรากโลหิตนั้นใช่ว่าสมเด็จพระสัพพันยูจะไม่เอ็นดูการุณาคิดวิหิงสาแกล้งเทสนาให้ฟังจนมรากโลหิตหาบ่อมิได้พระภิกษุหกสิบรูปนั้นปฏิบัติไม่ดี ปฏิบัติผิดไม่ต้องด้วยวินัยกิจศิขาบทก็รากโลหิตอัตโนโกิอริยายะด้วยกิจกระทำไม่ดีตนกระทำไว้ตังหาจะว่าสมเด็จพระผู้ทรงสวัสดิภาพแกล้งเทศนาให้รากโลหิตคิดให้โทษอย่างไรนะบอพิดพระราชาสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าใช่กระนั้น สมเด็จพระสัพพันญูไปเทศนาพระภิกษุได้ฟังจิงร่ากโกรหิตถ้าสมเด็จพระพควันตาบพิษไม่ไปเทศนาอสุตวาพระภิกษุหกสิบรูปไม่ได้ฟังที่ไหนจะร่ากโกรหิตออกมาเล่าพระนาคเษนมีเถ ร, ระวาจาว่ามหาราชะดูราณาบพิษผู้ประเสริฐใช่เหตุการณ์ด้วยฟังพระสัทธรรมเทศนา เป็นด้วยพระภิกษุหกสิบรูปปฏิบัติผิดเป็นมิจฉาตาถาคตะสะธรรมังสุตตวะครั้นว่าได้ฟังพระศีสุคเทศนาก็ให้ร้อนกายนักหนาจึงารากโลหิตออกมาด้วยร้อนกายนั้นใช่จะรากโลหิต ด, ด้วยฟังพระธรรมเทศนาหาบ่าไม่ได้นะบอพิษพระราชาสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชาองค์การตรัสว่า พันเตนาทเสนาข้าแต่พระนาคเษนผู้ปรีชาพระภิกษุทั้งหลายฟังธรรมร้อนกายรากโลหิต ด, ด้วยเหตุที่พระบรมครูเป็นต้นเหตุทรงแสดงธรรมยถาพระผู้เป็นเจ้าจะเข้าใจฉันใดอหิวัมมิกังปวีสัยยะเปรียบดุจอสรพิษอันเข้าสู่จอมปลวกปล่องใหญ่ มีบุรุษชายคนใดคนหนึ่งจะต้องการดินวัมมิกังพินทิตวาจึงไปขุดที่จอมปลวกบุรุษชายนั้นจะมีใจเจตนาที่จะปิดช่องปล่องแห่งอสารพิษนั้นหาไม่ได้แต่เมื่อขุดขุดไปดินทั้งหลายอันร่วนอันร่วนก็ลนหล่นไหลเข้าไปอุดปล่องที่อสรพิษเข้าไปนั้นจนแน่นอสสารพิษนั้นจะออกก็ออกไม่ได้ ปากปล่องแน่นหายใจไม่ออกก็ถึงแก่การกิริยาตายจะว่าอสส ร, รพิษนั้นตายด้วยความเบียดเบียนของชายนั้นหรือหาไม่เล่าพระนากเกษนผู้เป็นเจ้าจึงมีเทระวาจาว่ามหาราชดูรานะบพิษผู้ประเสริฐอสสรพิษนั้นตายด้วยความเบียดเบียนของชายนั้นขอถวายพระพรพระเจ้ามิลินภูมินทราเทพดีมีพระราชองค์การตรัสว่า ความที่สงสัยกันมานี้จะมีฉันใดเล่าภควาสมเด็จพระบรมไตรโลกกนาตก็มีโทษเหมือนบุรุษชายนั้นเพราะพระองค์เป็นต้นเหตุตรัเทศนาภิกษุห0สรูปนั้นจึงรากโลหิตออกมาฉันนั้นไม่ใช่หรือพระน่าเกษ จ, จึงวิสัชนาว่ามหาราชะดูรานะบพิษผู้ประเสริฐตถาคโต สมเด็จพระตถาคตทศพลยานเจ้าเทสิยะมาโนเมื่อจะตรัสเทศนาให้มนุษย์เทวาฟังอนุนยยปฏิคังนกรูติจะเลือกที่รักมักที่ชังเคียดแค้นแก่หมื่นแสนสัตว์นิกรเทวดามนุษย์หาบ่ไม่ได้มหาราชขอถวายพระพรสมเด็จพระบรมโลกุตมาจารโปรดประธานธรรมเทศนา เมื่อผู้ใดมีอุตสาหะปฏิบัติเป็นอันดีเตปติพุชันติผู้นั้นจะตรัสรู้มรรคผลประชาชนจำพวกใดตั้งใจแต่ว่าจะกระทำปฏิบัติผิดเป็นมิจฉาครั้นได้ฟังพระสธรรมเทศนาคิดถึงตนที่ปฏิบัติมิจฉานั้นปะตันติก็ตกไปตามความปฏิบัติผิดนั้นนี่แหละ จะมาโทษพระทศพลกระไรเล่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษจงทรงสวราการฟังความอุปมาณนี้ว่ายังมีบุรุษผู้หนึ่งมารักษาอัมพังวาชำพุงวาซึ่งต้นมะม่วงต้นว่าสะพังอันมีผลสุกรสหวานผลมะม่วงลูกว่าที่ดีไม่มีนอน ก็ตกเป็นก้อนทุกกิ่งก้านที่นอนบ่อนก็บรรดาลตกลงมายะถามีอุปมาชันใดสมเด็จพระบรมโลกกาณ า, าศาสดาจารย์ปโปรดประธานพระสัทธรรมเทศนาเล่าก็เหมือนกันสัมมาปฏิปันนาที่ปฏิบัติ ด, ดีสำเร็จแก่ธรรมาพิสมัยที่ปฏิบัติชั่วก็ถอยตัวตกร่วงไป มีอุปมาเหมือนผลไม้มีนอนบ่อนในนกจิกกร่อกัดฉะนั้นอันหนึ่งจงทรงสวนาการอุปมาไปอีกเล่ามหาราชะขอถวายพระพรเปรียบเหมือนชาวนาอันจากกระทานามีจิตปรารถนาเจาวานพืชข้าวปลูกลงในนาก็จับโคและกระบือมาเทียมไถชาวนาก็ขับโคกระบือออกไปที่ไร่นา เมื่อไถยไปไถามาอเนกะสหัสสานิหญ้าก็ขาดวินาศฉิบหายด้วยคมผานหญ้าตายประมาณกว่าแสนสุดที่จะพันน า, นายะถามีขรุวนาฉันใดสมเด็จพระบรมไตรยโล ก, กนาถเมื่อจะพระราชทานธรรมเทศนาให้สัตว์รูม้มรรคผลนั้นก็มีพระไัยหมายมั่นที่จะให้ได้ธรรมวิเศษจึงตรัสพระสัทธรมเทศนา บุคคลผู้ใดเป็นสัมมาปฏิบัติก็ตรัสรู้มากผลผู้ใดที่ปฏิบัติเป็นมิจฉาก็ตกไปเปล่าเช่นนี้มีมากนักหนาอุปมาเหมือนหญ้าที่ชาวนาไถเสียให้ขาดตายดาดอยู่ฉะนั้นประการหนึ่งเล่ามหาราชะขอถวายพระพรจงทรงพระสวนาการเปรียบปานดุดหีบอ้อย ปรารถนาจะกระทำซึ่งน้ำอ้อยก็ตัวด้วงตัวแมงน้อยใหญ่อยู่ในลำอ้อยทั้งหลายทุกหีบขาดไปถึงแก่ความตายนั้นยะถามีอุปมาฉันใดสมเด็จพระบรมโร ก, กนาศาสดาจารย์โปรดประทานพระธรรมเทศนาเพื่อจะโปรดสัตว์ที่บารมีแก่กล้าให้สมร็จแก่ธรรมาพิสมัยบุคคลผู้ใดที่ปฏิบัติเป็นสัมมาปฏิบัติ ก็ได้สำเร็จมรรคผลที่ปฏิบัติไม่ดีนั้นปตันติก็ตกไปอุปัยเหมือนด้วงแมงอันต้องหีบตายเพราะคนทั้งหลายจะเอารถน้ำอ้อยฉะนั้นขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชามีพระราชองค์การถามว่าพันเตนาคาเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาตกว่าพระภิกษุหกสิบรูปนั้นตกไป ด้วยพระสัทธรรมเทศนาของสมเด็จพระมหาการุณาเจ้าตรัสเทศนาแลสิพระนาคเสณ ร, รับคำว่าอามะเออดูกระระบอพิษพระราชสมภารเปรียบาลดุดบุรุษช่างถากไม้ที่ไหนคดก็ถากลัดดัดให้ตรงกระทำให้บริสุทธิ์ที่ไหนเป็นไ ม, ไม้ไม่ต้องการก็ทิ้งไว้เลือกเอาแต่ไม้ที่ต้องการมิใช่หรือบอพิษพระราชสมภาร สมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าอามะพันเตเออข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าช่างถากนั้นเล่าเลือกเอาแต่ไม้ที่ต้องการที่ไหนผานจะคดก้องงดไวพระนาคเษนถวายพระพรว่าฉันใดก็ดีพระขวาสมเด็จพระพิชิตมานมุนีเจ้าก็สงเคราะห์แต่ผู้ที่ปฏิบัติเป็นสัมมาปฏิบัติ ที่ปฏิบัติเป็นมิจฉาก็าละเสียเหมือนกันขอถวายพระพรประการหนึ่งเตปณะภิกขูอันว่าภิกษุหกสิบรูปซึ่งปฏิบัติผิดนั้นปตันติตกไปด้วยตนปฏิบัติไม่ดียะถามีครุวนาฉันใดดูกระบ่อพิษพระราชสมภารเปรียบปาลประดุจโจรพระมาหากษัตริย์จับได้ให้ลงราชธานอายา อคิอุปปาตนังให้ควักลูกตาบ้างสูราโรปนังให้เสียบหลาวบ้างหัตถปาทัดเฉทนังให้ตัดมือตัดเท้าบ้างสีสัตเฉทนังให้ตัดศีสะบ้างตามพระราชกำหนดกฎหมายฉันใดพระภิกษุทั้งหลายหกสิรูปก็เหมือนกันปะตันติตกไปเพราะตนปฏิบัติไม่ดีอันหนึ่ง เปรียบประดุดกัดทะีและม้าอัศดอนตายเพราะลูกฉันใดก็ดีพระภิกษุห0สิบรูปนี้ตกไปพระตนปฏิบัติไม่ดีเหมือนต้นกัดทะลีและม้าอัศดอนทั้งหลายอันตายด้วยลูกฉันนั้นอันหนึ่งเล่าโลหิตอันร้อนไหลออกมาจากปากพระภิกษุหกสิบรูปดูหน้าเวทนาณภควตโตกิริยายะ ใช่จะเป็นด้วยสมเด็จพระชินเนธนทรอนบ่อพิษพิชิตตมานบัรดาให้รากโลหิตออกมาหาบ่ไม่ได้ณนะปะเรสังกิริยายะผู้อื่นจะมากระทำให้ก็หาบ่ไม่ได้โลหิตร้อนรากออกมาจากปากนี้อัตโนกิริยายะด้วยตนปฏิบัติไม่ดียะถามีขรุวนาฉันใดณนะบ่อพิษพระราชสมภาร เปรียปานดุดบุรุษผู้หนึ่งอะมะตังท่าเทยะให้ซึ่งนำ้ำอมฤตฐานแกสาธุชนทั้งหลายฝ่ายว่าสาธุชนทั้งปวงได้บริโภคอมฤตธาราอัฏสาเศษตวาก็พากันยินดีที่คายุกามีอายุยืนหนักหนาหาโรคาพยาธิบ่อไม่ได้ประมุิเจยุงพ้นจากอันตรายส่วนหนึ่งเอโกพาโค ส่วนหนึ่งกินเข้าไปล้มตายและบุรุษที่ให้น้ำอมฤตทารานั้นจะได้บาปกรรมประการใดหรือมหาบอพิษพระเจ้ามิลินปินเวียงชายตรัสว่าบุรุษนั้นจะได้บาปกรรมนั้นเป็นว่าหาบ่อไม่ได้พระนาคาเษนถวารพระพรว่าความนี้ฉันใดนะบอพิษพระราชสมภารสมเด็จพระชิ น, นมานมิ่งมงกุฎวิสุทธิโลกุตมาจารย์ โปรดประธานให้ซึ่งอมริธารารสสุคธรรมแก่มนุษย์นิกกเทวาบันดาอยู่ในหมื่นโลกกระทาทุานหน้าฝ่ายฝูงมนุษย์กินนอนเทวาจำพวกที่มีบารมีได้สะสมอบรมมาครั้นได้รับประทานซึ่งกระแสสินอมริทธารารสยยธรรมนั้นปฏิพุทธชันติก็ได้สำเร็จธรรมมาพิสมัยมากผลเทพนิกก่อนมาหาชนผู้ใด ที่ไม่ได้สะสมอบรมบา ร, รมีมาเป็นคนพานอาภัพนั้นครั้นได้รับประทานอมริท ธ, ธาราริธรรมเข้าไปบ่ไม่อาจทรงได้ปตันติก็ตกไปเหมือนดังคนทั้งหลายที่ดื่มน้ําอมริทเข้าไปตายเช่นั้นอันหนึ่งเล่าพระภิกษุหกสิบรูปนั้นครั้นได้ฟังอมริ ธ, ธรรมนั้นปตันติก็ตกไปอุปไมเหมือนหนึ่งว่า บุคคลบริโภคอมริท ธ, ธาราเข้าไปแล้วตกไปไม่ทรงไว้ได้เชนี้จะโทษเอาพระองค์เจ้ากระไรได้จะเปรียบฉันใดเล่านะบอ่อพิษพระราชสมภารเปรียบปานเหมือนบุคคลให้ทานโภชนะนี้ย่อมเป็นประโยชน์แก่คนทั้งหลายเพราะโภชนะเป็นของรักษาชีวิตของสับปะสัตทั้งหลายความนี้มีคนบางคนไม่รู้จักประมาณท้อง จะบริโภคอาหารให้พอสมควรบริโภคเข้าไปเป็นอันมากจนไฟธาตุไม่อาจเผาผลาญลมบันดาลให้แน่นจุกเสียดถึงแก่ความตายบุคคลที่ให้ทานโพชนะนั้นจะมีโทษอย่างหนึ่งสถานหนึ่งด้วยหรือบอบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตน า, าเสนาะ ข้าแต่พระนาคเสษนผู้ปรีชาสมเด็จพระมหาการุณาโปรดไว้ว่าบุคคลให้ข้าวเป็นทานนี้มีผลด้วยโภชนะรักษาซึ่งชีวิตสาธุชนไว้แม้ผู้ใดบริภโภคโภชนะเข้าไปกระทำกาและกิริยาตายดุดกินยาพิตายนั้นและจะโทษเอาทา ย, ยกผู้ให้โภชนะนั้นกระไรได้ ทายกนั้นจะได้บาปกรรมหาบ่ไม่ได้พระผู้เป็นเจ้าปัญหานิยมไม่สงสัยสำปติฉามิโยมจะรับเอาคำวิสัชนาของพระผู้เป็นเจ้าไว้จะได้เป็นประโยชน์แก่ปัจฉิมาชนตาสัตว์อันจะเกิดมาเมื่อภายหลังต่อไปในการบัดนี้ตถาคตสัพสะ ส, ะสตานังหิตะจารณะปัญหาเป็นคำรบหก จบเพียงนี้